<c oughs> นั่งภาวนาวฟังนะนั่งภาวนาวฟังเทศอย่างอื่นเราทิ้งให้หมดธุรกิจที่นุ้นที่นี่งานหนักงานเบางานยากงานง่ายงานละเอียดทิ้งหมดซะก่อน <c oughs> ชั่วระยะเวลาที่เราฟังเทศจบเพื่อผลดีผลรายได้ที่ดีจะเกิดขึ้น ในหัวใจของเรามีสำคัญที่สุดคนเรานั้นอยู่เท่าเดิมมันก็ไม่มีอะไรเจริญงอกเงยเจริญงอกงามเราจะต้องมีการพัฒนาการพัฒนาจิตโดยอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าพัฒนามันเป็นการพัฒนาครบวงจรเหมือนอย่างที่พวกเรากาลังทำอยูน่นี่นับตั้งแต่มีการให้ทานแล้วก็มีการสมาทานศีลและก็มีการฟังเทศเพื่อเอาความรู้เข้าสู่หัวใจ และก็นั่งภาวนาทำความสงบใจอันนี้สาคัญที่สุดการทาความสงบใจนี่แหละเป็นเบื้องต้นที่จะทำให้เรารู้จักที่ไปที่มาของกิเลสตัณหาในหัวใจของเราสำคัญมากมีความสาคัญมากเพราะฉะนั้นจะต้องตั้งอกตั้งใจจดจ่อฟังและทำความสงบไปพร้อมนั่งภาวนาไปเลยเคยจับอะไรก็ทำไปได้พองน้อยยุบน้อยก็จับได้ พุทโธพุทโธพุทโธก็จับได้ขอให้เราอยู่อยู่กับความรู้สึกที่กายของเราที่ใจของเราเกิดประโยชน์ทั้งนั้นขอให้ตั้งอกตั้งใจ <c oughs> นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุทัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุทัสสะนะโมตัสสะ พระวะโตอระหะโตสัมมาสัมบุ ธ, ธาธรรมาเลนะธรรมะสวนังเอตัมมังกัลมุตตะมันตีวันนี้เป็นอีกวาระหนึ่งที่เราได้มีโอกาสมาเข้าห้องอบรมแบบนั้นเถอะ มีการเจริญพระพุทธมนต์มีการสวดมนต์สวดเสียงไพรเสียเลยนะนะสวดเสียงเพ ร, ราะเมื่อกี้เนี่ยพยายามหาแนวร่วมให้เยอะๆมากันเยอะๆมาสวดอันนี้เป็นเป็นแบบอย่างเป็นวิธีการที่จะเริ่มเข้าสู่คุณงามความดีเอาความดีมาสู่หัวใจของเราเสร็จแล้วพวกเราก็มาสมท า, านศีล สมาทานศีลนี้สมาทานเฉยเฉยไม่ไปวิรัติไม่ไปงดไม่ไปเว้นตามองค์ของศีลนั้นนั้นไม่มีอเนกสงเนื่องจากว่าเราไม่ได้ตั้งใจสงบระงับดับเหตุผลจึงไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นในเมื่อเราตั้งใจจะรักษาศีลให้เกิดผลจริงๆเราต้องตั้งใจวิรัติตั้งใจงดตั้งใจเว้นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพุทธผิดในกรรม ไม่พูดโกหกพูดเท็จไม่ดื่มสุราเมรยัยสุราเมรัยนี้เป็นน้ำดองของเมากินไปแล้วทำลายสตินี่สำคัญที่สุดคนเราสำคัญที่สุดที่สติเรามีสติที่ดีหนึ่งเดียวเนี่ยเป็นอุปกรณ์เป็นชิ้นส่วนเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทำให้เรามาพัฒนาชีวิตจิตใจของเราได้เป็นอย่างดี เรื่องสติพระเพุทธเจ้าท่านจึงอาศัยหลักสตินเป็นหลักเป็นหลักใหญ่อาศัยสติเนี่ย บ, บริหารบริหารงานปฏิบัติธรรมของพระองค์สมถะธรรมวิปัสนาธรรมอาศัยการเจริญสตินี่แหละคำว่าเจริญสติก็คือปลุกจิตของตัวเองให้ตื่นรู้อยู่ทุกระยะทุกเวลาอย่าลืมว่าจิตของเราถ้าหากเราไม่ปลุกเนะี่ยมันจะไม่ตื่นนะมันจะหลง หลงกับอะไรนะหลงกับกามคุณทั้งหลายทั้งปวงนะมันพาเราหลงหลงกับเรื่องราวสารพัดที่เป็นเรื่องของโลกีซึ่งเป็นกลเป็นอุบายเป็นมายาของกิเลสตัณหาที่มันจะพึงมาแสดงเอากิริยากายของเราไปแสดงเอากิริยาวาจางของเราไปแสดงเอากิริยายใจของเราไปแสดงกิเลสตัณหามันออกมาแสดงเป็นตลาดการแสดงของกิเลสตัณหาอาสวะ ที่มันจะพึงออกมาแสดงในเมื่อเราแสดงลงไปแล้วเป็นพฤติกรรมของเราไม่ใช่แสดงเฉยๆผลตกอยู่กับวิบากกรรมของเรานีนสําคัญที่สุดกิริยากายเป็นกายกรรมกิริยาวาจาเป็นวจีกรรมกิริยาใจเป็นมโนกรรมกรรมแต่และอย่างแต่และอย่างมีวิบาก คำว่าวิบากก็คือผลผลที่เกิดขึ้นจากการที่เราทำกรรมนั้นๆคนเรามีกรรมแค่สามกรรมกายกรรมกายกรรมที่เป็นโทษหนักหนักที่ท่านอามาแสดงให้เราเห็นไม่ฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พระพุทธผิดในกรรมอันนี้คือกายกรรมเพราะเราเอากายไปทำวิจีกรรมก็คือพูดเท็จพูดอยาพูดสอเสียดพูดจาเสียดแทงให้คนอื่นเจ็บใจพูดโกหกหมดเท็จสารพัด เป็นเหตุทำให้คนอื่นเสียประโยชน์นี่คือวจีกรรมทำไปแล้วเกิดโทษทำไปแล้วเกิดวิบากเราจะต้องการหรือไม่ต้องการไม่เกณฑ์ไม่เป็นเกณฑ์ไม่เป็นประมาณว่าจะทาลงไปแล้วตกผลึกเป็นวิบากกรรมเราจะต้องเป็นผู้รับใช้กรรมกรรมจะต้องมาชดเชยจะต้องมาตอบสนองให้กับเราลงละเมิดข้าสาัตว์ปับ๊บลักทรัพย์ปับ๊บพระพุธผิดในกรมปับ๊บพูดโกหกปับ๊บ ดื่มสุราพับเป็นกรรมทันทีรใบยพยังยิ่งดื่มสุราเมรไรเนี่ยพอดื่มลงไปแล้วมันทําลายสติสติซึ่งเป็นคุณธรรมชั้นเยี่ยมที่สุดในหัวใจของเราเรามีแต่จะมานั่งสร้างสติของเราให้เด่นให้ชัดให้รวดเร็วให้แน่นหนาให้มัน่นคงการดื่มสุราเมรัยนั้นมันเป็นการทําลายสติ มันเป็นการบั่นทอนสติของเราสัมผชัญญะของเราสติกับสัมผชัญญะกับความอุตสาหะความภาคความเพียนขัดสีถูอยู่อย่างนั้นแหละเป็นเหตุให้เราเกิดปัญญาทำไม่หยุดไม่หย่อนทําคืบหน้าเข้าไปเป็นเหตุทําให้เราเกิดปัญญ า, เ, เ, เ, าเกิดปัญญาญานนี่อาศัยสติเท่านั้นเพราะสติตัวเดียวนั่นแหละเวลาเกิดขึ้นในหัวใจของเรามันทําให้หัวใจของเราตื่นรูอยู่ แต่ถ้าหากเราไม่มีสติมาปลุกจิตของเราให้ตื่นรู้จิตของเราก็จะหลับจิตของเราก็จะตกตกไปสู่สัญญาอารมณ์ความหลงมันก็ครอบงําครอบงํำเอากายกรรมของเราไปทําประโยชน์ตามอํานาจของตัณหาไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์เนี้ยไปประพฤติผิดในกรรมไปทําสารพัดเท่าที่เราจะเอากายเอาวาจาเอาใจของเราไปทําไปนึกไปคิดไอเรื่องกายกับวาจากับใจเนี่ยมันไปด้วยกัน นึกคิดเฉพาะใจอยู่ข้างในนะครับมันก็เป็นมโนกรรมนะนึกคิดมากๆถูกความกดดันจากการนึกคิดมันก็แสดงออกมาทางวาจาเป็นวจีกรรมมันก็แสดงออกมาทางกายกายกรรมที่เป็นโทษหนักๆก็คือเราสรุปมาใส่ศินในกรรมมบท10ก็แล้วกันกายกรรม3วจีกรรม4ี่มโนกรรม 3, สามที่นในกรรมมบทเนี่ยอันนี้เป็นสินในกรรมมบท คำว่ากรรมบทคือข้อเดินข้อประพฤติข้อปฏิบัติตามหลักของศีลของธรรมกายกรรม3เว้นฆ่าสัตว์เว้นรักทรัพย์เว้นประพฤติผิดในกรรมฆ่าสัตว์นอกจากเราไม่ฆ่าสัตว์แล้วท่านจะให้เรามีเมตตาแท้จริงท่านให้เรามีเมตตามากๆเพื่อเราจะได้เห็นโทษในการฆ่าสัตว์นอกจากเราไม่ฆ่าแล้วเรายังมีเมตตา การที่เรามีเมตตามากๆทําให้เราเว้นจากการฆ่าสัตว์ได้ง่ายทําให้เรามีจิตใจทําให้เรามีเมตตากรุณาอยากช่วยเหลือเจือจันทสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงให้พ้นทุกข์พ้นโทษพนทษ้พนเวรพ้นไปรวมไปถึงชีวิตเขารวมมาถึงชีวิตเราทําให้เรามองเห็นความสําคัญหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองมีความเมตตาต่อสัตว์เราเราฆ่าสัตว์ปั๊บขาดความเมตตา เมตานี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องของธรรมปันเบญจะศีล น, นะคือศีลห้าเบญจะธรรมคือธรรมถ้าพูดถึงเบญจะศีลและเบญจะธรรมเบญจะธรรมก็คือข้อหนึ่งก็คือให้มีเมตตาให้มีกรุณาให้มีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันนอกจากเมตตาสัตว์แล้วยังมีเมตตาคน เมตตาคนชนทุกชนทุกชั้นทุกระดับชั้นท่านให้มีเมตตาเพราะความเมตตานะั้นมันทำให้ชีวิตจิตใจของเราชุ่มเย็นไปด้วยอำนาจของความเมตตาความเมตตาถ้าหากเราเจริญได้เป็นประจำทำให้ชีวิตของคนคนนั้นเนี่ยทให้จิตใจของคนคนนั้นเนี่ยถูกพัฒนาทุกระยะทุกเวลาในขณะที่เราเจริญเมตตาเจริญเมตานึกยังไงนึกอยากให้เขามีความสุขนึก ไม่อยากให้เขาเจ็บไม่อยากให้เขาปวดเวลาเขาเจ็บเขาปวดหรือไม่คนเจ็บคนปวดคนป่วยคนไข้มาเหมือนอย่างที่นี่เป็นโรงพยาบาลเนี้ยเราก็อาศัยความเมตตาในช่วยเหลือเขาไม่ได้คิดไม่ได้คิดเป็นเรื่องของผลประโยชน์รายได้อะไรอย่างอื่นนึกถึงว่าทํายังไงเขาจะหายปวดเอาใจของเราไปเทียบว่าเออถ้าเราปวดเหมือนเขา อันนี้เขาเจ็บเขาปวดเขาป่วยเขาไข้ถ้าเราเจ็บเราปวดเราปว่วยเราไข้เราต้องการไหมต้องการพ้นจากเจ็บจากปวดจกากป่วยจากไข้ไหมคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปเราก็เกิดความสงสารสงสารที่ใจสงสารจับใจอันนี้คือเมตต า, เ, าเราพูดถึงการฆ่าการฆ่าเราอาจจะฆ่าสัตว์อย่างอื่นฆ่าสนุกเป็นกีฬาฆ่าเป็นอาหารฆ่าเพื่อกลัวเช่นอย่างงูที่มีพิษเงี้ย ถ้าขาดแมงป่องเนี่ยเราฆ่าเพราะเรากลัวพวกยุงมันทําร้ายเรามาเจาะมาดูดเลือดดูดอะไรของเราเนี่ยนี่เราก็สามารถฆ่าได้มดพวกมดพวกแมงพวกอะไรที่มากวนเราเนี่ยแต่ถ้าหากเราสมาทานศีลปั๊บเราฆ่าศีลเราขาดเรามีเมตตาแผ่เข้าไปโอ้เขาก็อยู่เขาก็หาอยู่หากินของเขาพวกมดพวกแมงพวกยุง พวกสัตว์อะไรเขาก็มีความเป็นอยู่อยากมีชีวิตที่มีความสุขมีความเพียบพร้อมไม่มีสิ่งใดมาเบียดเบียนไม่มีสิ่งใดมารบกวนต้องการอาหารก็อยากได้อาหารก็แสวงหาที่ไหนมีอาหารก็แสวงแสวงหามีชีวิตเป็นอิสระเนี่ยเรามีความนึกคิดยาวไกลไปมากๆนี้เราก็งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ได้หรือถ้าใครมีความจำเป็นต้องฆ่าสัตว์ เราไม่ฆ่าไม่ได้อาชีพประมงเราต้องฆ่าเราต้องฆ่าเราอย่าลืมตั้งใจมีเมตตาแผ่เข้าไปเพราะพลังเมตตามันเป็นพลังธรรมพลังธรรมพอเราตั้งใจทําไปปั๊บเรามีบุญนะแล้วเราจะเริ่มมีเมตตาแลเมื่อเราเริ่มมีเมตตาเราก็จะเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นอย่างน้นอยวันนี้เรามีความจําเป็นนะอ่า เรามีความจาเป็นแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ลืมที่เราจะตั้งใจทำบุญอาศัายบุญที่เรามีนี่เลยแผ่ให้เขาถ้าหากเราไม่มีบุญเราจะได้อะไรแผ่ให้เขาค่ า, าวันแล้ววันเล่าวันแล้ว ว, ล ว, วันไหนก็เป็นนี่วันไหนก็เป็นนี่วันไหนก็เป็นนี่เป็นนี่พอกพูนเป็นนี่พอกพูนนี่คาว่านี่บุญคือคื อ, ค อ, คอนี่บาปนี่กรรมเนี่ยมันกดทวงเรานะ มันกดทวงเราถ้าเรามีจิตใจที่ละเอียดละออเพียงพอเราเห็นว่าสิ่งที่เป็นอกุศลล่านี้มันกดทวงหัวใจของเราตรงการข้ามเราลองแผ่เมตตาเข้ามาทำให้จิตใจของเราเนี่ยชุ่มเย็นนะมีความเมตตากับคนทุกคนทุกระดับชั้นคนเจ็บคนปวดป่วยไขย้ทุกเพศทุกวัยกับสัตว์ทุกๆจาพวกตัวเล็กตัวใหญ่ตัวที่มีความจำเป็นจะเป็นอาหารจะเป็นอะไร หมูเห็ดเป็ดไก่อะไร ก, ก็ตามแต่แผ่เมตตาให้ได้ทางนั้นถึงก็นั้นก็ตามไม่หากมีความจำเป็นพยายามหลบพยายามหลีกจำเป็นละเว้นไม่ได้จริงๆขออันนี้ไม่แนะนำนะอ่ามันเลยเขาโอ้วันนี้เว้นไม่ได้เหมือนอย่างเคยได้ยินเขาเล่านะอะ่มีจานรู้จักจานไหมคนที่บวชนานๆเนี่ยคนที่บวชนานๆเนี่ย เป็นผู้เป็นผู้ที่มีความนึกคิดเรื่องศีลเรื่องธรรมเป็นผู้ง่ายต่อการนึกการคิดพอปุ๊บปั๊บที่จะทําทด้วยงกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมศีลมันออกหน้าออกตาทันทีทิศศึกใหม่จานบวชนานศึกไปแล้วไปมีครอบครัวจําเป็นต้องทำมาหากินไปหากบหากเกียรติเขียดหาปูหาปลาดักลอบดักใสเขาไปดักลอบดักใสนะเอออย่ามานะใครไม่ถึง ชาตาขาดนะใครไม่ถึงชาตาชตาขาดอย่ามาตรงนี้นะ <c ười> เคยเห็นแล้วนะที่พูดเนี่ยเคยเห็นเออหลีกไปนะหลีกไปนะอย่ามาตรงนี้นะ <c ười> คือใจเขานี่เขาทำเหมือนกับว่าเขาเขาเข า, เขาไม่อยากฆ่าสัตว์แต่ถ้าใครถึงค่าถึงโทษถึงกรรมจริงๆก็ให้ให้เป็นโทษเป็นค่าเป็นกรรมของ อของแต่ละของแต่ละตนแต่ละตนก็แล้วกันอันนี้ไม่แนะนำแต่เอาเอ า, เอาเรื่องมาเล่าให้ฟังเฉยๆเท่านั้นเองแต่ใจนั้นต้องการต้องการเอาไปทําเป็นอาหารมันมีความจําเป็นพวกนี้มันไวต้วต่อศีลต่อธรรมนะพวกทิศพวกจานเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาไปทําสิ่งที่จําเป็นจะต้องฆ่าสัตว์จะต้องอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาจะต้องมีคําพูดมีคําพูดอย่างอย่างที่ว่านี่เละดักรอบดักไซดักงองตัวนี้ อย่ามาเนะใครยังไม่ถึงคาดอย่ามานะตัวไหนยังไม่ถึงคาดอย่ามานะอย่ามานะแน่กูบอกเลยอย่ามานี่แสดงว่าถึงคาดอย่างนี้ก็ไม่ได้นะมันเข้าออตัวนะเหตุผลอย่างนี้มันเข้าออตัวยังไงเราละได้เรางดได้เราเว้นได้เป็นบุญของเราที่สําคัญที่สุดจะให้สิ่งเหล่านี้นี่มาทําให้เราชินในหัวใจของเราเราจะต้องหัดแผลเมตตา แผ่เมตตาเอาใจเราไปใส่ใจเขาเอาใจเขามาใส่ใจเราต้องแผ่เมตตาอย่างนี้นะถึงจะถึงจิตถึงใจไม่งั้นแผ่ไม่ถึงดอกแผ่ไม่ถึงแผ่ถึงเป็นไงถึงแล้วตัวเองเป็นผู้ได้รับผลก่อนตัวเองได้รับผลก่อนได้รับความสุขได้รับความชุ่มเย็นได้รับความเมตตาอ่อนนิ่มเกิดความอบอุ่นเกิดความสุขเกิดปลื้มเกิดปีติเกิดความรู้สึกว่าเราได้บุญเรามีบุญ นี่นะเมตตาสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์แล้วยังมีเมตตากับเขาด้วยอันนิสงการแผลเมตตาเนี่ยมีมากสิบกว่าอย่างนะที่ท่านพูดไว้เนี่ยหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายนะไม่ฝันร้ายเทวดารักษาแม้แต่ธนูเอยอยศรพิษเออยก็ไม่สามารถทําทพิษร้ายกับเราได้คนปองร้ายทําอะไรเราไม่ได้อืม ที่สําคัญที่สุดมีสติตายมีสติมีสติตา ย, มตมตตายไม่หลงสติถ้าหากหลงสติพฤติกรรมอะไรที่มันเลวทราที่สุดมันจะแสดงออกมานะในขณะที่เราหลงสติแต่ด้วยเหตุที่เราไม่หลงสติเราดํารงสติมั่นกําหนดจดจ่อดูทุกเวทนาจนนาทีสุดท้ายจนอาสนกรรมอย่างไดอย่างหนึ่งมาถึงมาถึงเรานี่หมายถึงว่าบ้านปลายของชีวิต เราจะไปปรโลกอย่างสว่างสวัยแต่ถ้าตรงกันข้ามแล้วมืดตึบ ป, ปรโลกของเราเนี่มืดตึบพอดับชีพใบชนไปปั๊บโอ้มืดตึบไม่รู้จะไปไหนสักหน่อยหนึ่งเจอสิ่งที่ชั่วร้ายน่ากเกลียดน่ากลัวที่สุดนานแล้วตกไปในในที่ไม่ดีแล้วแต่ถ้าตรงกันข้ามดับชีพใบชนอาสนกรรมมาถึงปั๊บดับชีพใยชนปั๊บจิตของเราสว่างรูอันนี้เราจะเอาอะไรมาเป็น ประจักษ์พยานได้ถ้าหากเราไม่เอาพุทโธพุทโธมาเป็นประจักษ์พยานเพราะพุทโธพุทโธมันเป็นการปลุกจิตของเราให้ตื่นให้รู้อยู่ทุกระยะทุกเวลาและมันเป็นงานท่านจึงไม่ให้เราทิ้งงานเหล่านี้คืองานพัฒนาจิตการพัฒนาจิตตามหลักที่พุทธเจ้าท่านสอนก็คือ1 ห, หยุดจิตให้สงบ 2. จ, จิตสงบแล้วเอาจิตที่สงบพิจารณาหยุดจิตให้สงบเป็นเรื่องของสมถะ พิจารณาเป็นเรื่องของวิปัสสนาเราจะหยุดก็ตามเราจะพิจารณาก็ตามสติเป็นเรื่องสําคัญสติเป็นเรื่องสําคัญเราจะพิจารณาถ้าหาราขาดสติการพิจารณาในชนิดหมายความว่าเราเจริญปัญญาหรือเจริญวิปัสสนาอจะพองน้อยุบนอพอง น, น้อยุบน้อยกาหนดจดจ่อ ด, ดูตามไปถ้าเราขาดสติปั๊บ การที่จะรู้เท่ารู้เท่ารู้ทันอารมณ์เหล่านั้นมันก็รู้ทันรู้ทันไม่ได้วิปัสสนาก็ไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดท่านอนนึกท่า ห, ห, หาม่านสวมรอยเอาไปสัญญ า, ารมมันหลออไปแล้วเอาไปนึกไปปรุงเอาไปคิดนอกเรื่องนอกราวไปแล้วเจริญสัมมาทิฏให้สงบอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวเหมือนอย่างว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธไม่ต้องพิจารณากําหนดแต่ว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธเป็นวิตกวิจารณ์ มีสติกำกับกำหนดจดจ่อโรอยู่จิตสงบอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวได้นี่เพราะฉะนั้นสติจึงเป็นตัวยืนโรงในการที่จะมารักษาจิตต ร, ตรงนี้ให้แคล้วคลาดปลอดภัยให้สงบให้ระงับดับดับจากกลอุบายมายาของตัณหาในหัวใจของเราอย่าลืมว่าธรรมะก็มีอยู่ที่ใจของเราตัณหามันก็อยู่ที่ใจของเราใจของเราคือผู้รู้คือท่ารู้ แต่มันหากเกิดมาแล้วมันมีกิเลสตัณหามันปนเปืเป้อนมาด้วยไม่ใช่คนเกิดมาคนเดียวโดดเดี่ยวแล้วกิเลสมันวิ่งมาติดเราที่หลังไม่ใช่เหมือนเหมือนอย่างที่ท่านมีสภาสิทธิว่าจิตนี้จิตเดิมประภัดสอนประภัดสอนแต่จิตเศร้าหมองไปเพราะมีกิเลสที่จรมาคําว่าประภัดสอนในที่นี้คือจิตที่ยังมีกิเลสนั่นเองจิตประพัดสอนคือจิตผ่องใส จิตผ่องใสคือจิตประภัดสอนจิตจะประพัดสอนจิตจะผ่องใสได้จิตจะต้องสงบสงบจากอารมณ์ที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสจิตจะสงบได้เราจะต้องมีสติกำกับจิตดวงนั้นให้อยู่กับอารมณ์ของธรรมเป็นเบื้องต้นเช่นอย่างเราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจิตไม่ปล่อยให้จิตนึกเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสจิตของเราถึงจะอยู่ ไม่งั้นจิตไม่อยู่อยู่กับบทธรรมพุทโธพุทโธพุทโธนี้เป็นชื่อของพระพุทธเจ้านะเป็นแบบอย่างคำว่าพุทโธถ้าเราทำจนจิตของเราได้รับผลอย่างเต็มที่มันจะทำให้จิตของเราเนี่ยตื่นเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานโดยเนื้อหาของคำว่าพุทโธ ท, ที่แท้จริงก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันเกิดขึ้นจากความสงบของใจนี่คือคาว่าพุทโธ อาศัยความสงบของจิตมันเชื่องจากการที่เราเอาสติเอาสัมผชัญญามากำกับกำหนดจดจอ่อมัดด้วยความอดความทนภูกพันด้วยวิริยะอุตสาหะความภาคความเพียรตั้งความมุ่งมั่นไม่ถดไม่ถอยจะทำให้เรามีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในหัวใจของเราเพิ่มภูนทวีคูณขึ้นอย่างเหนียวแน่นมัน่นคงสมภาคสมภูมิ ที่จะทำให้เราได้พิจารณารู้เห็นสัจธรรมได้อย่างแจ่มแจ้งชาติจีนนีอ่อาศัยสติอาศัยสามประชัญยะทั้งนั้นสงบอย่างเดียวเป็นส ม, มถะพิจารณาสงบด้วยพิจารณาด้วยเป็นวิปัสนาคำว่าวิปัสนาวิปัสนาในที่นี้หมายความว่าเป็นบทฝึกเป็นบทฝึกฝึกจนมันเป็นเองตราบใดที่มันเป็นเองแล้วก็มีผลปรากฏ มีผลแปลกปรลาดปรากฏเป็นวิปัสนาเป็นวิปัสนาญาณอันนั้นคือผลปรากฏที่แท้จริงมันก็เริ่มต้นไปจากการสงบแล้วก็นึกแล้วก็คิดแล้วก็ปรุงคาดเดาตามสัญญาอารมณ์สิ่งเหล่านี้มันเป็นการสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราอ น, นี้คือความสงบสงบระงับดับตันหาในหัวใจของเราจิตของเราเกิดขึ้นมาจิตคืตอผู้รู้ท่ารู้ของเรา เกิดขึ้นมาแล้วไม่บริสุทธิ์หาเกิดขึ้นมาด้วยกันเกิดขึ้นมาพร้อมกันตั้งแต่กับการปุโรชาติไหนเราสร้างไม่ได้ดอกไม่มีใครเอามาใส่ที่หลังให้เราดอกมันเป็นวัตถุดิบที่เรายังไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตของเราแต่สามารถชะล้างกิริยาอาการที่ไม่ดีเหล่านี้ออกไปได้เพราะจิตของเราทุกคนสัตว์ทุกจําพวกจิตทุกดวงของมของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นเทวโอบุตรเทวดา มีผู้รู้และมีสิ่งที่ปนเปื้อนมากับผู้รู้หากเป็นธรธ ร, รมชาติมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เป็นมาอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านชะล้างสิ่งที่ปนเปื้อนมากับจิตออกได้พระจิตของพระองค์เหลือแต่ผู้รู้หนึ่งเดียวตราบใดที่ชะลา้างยังไม่ได้จิตของเรายัางเป็นกองสังขารในนั้นมีอนิจจังทุกขังอนัตตาแสวงหาพแสวงหาชาติ เวลาเรามาเกิดในในอัตภาพเป็นมนุษย์เนี่ยเราได้ทั้งรูปเราได้ทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมไปแล้วที่เรียกว่าขันห้รวมไปแล้วคือรูปกับนามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นนามนามนี่เป็นส่วนของใจรูปเป็นส่วนของรูปแต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ธาตุรู้ไม่ใช่ผู้รู้เป็นอาการของผู้รู้ร่างกายของเราก็เป็นอาการของผู้รู้ไม่ใช่ตัวผู้รู้นะ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ท่ารู้แต่เป็นอาการของผู้รู้เหมือนอย่างเหมือนอย่างลมที่มันพัดลมที่มันทำงานอยู่เนี่ยมันทำงานหมุนอยู่นั่นแหละจิงิล ม, มันสัมผัสไปถูกกายของเรานั่นแหละคืออาการของมันอาการของลมที่จะไปถูกนะ่ะไฟเงี้ยไฟมันมีความร้อนเราเห็นเป็นแสงน จะเป็นแสงสีขาวสีเหลืองสีอะไรก็กตามแต่นั่นคืออาการของมันรูปเป็นอาการของใจด้วยเหตุที่ใจมีกิเลสตัณหามันจึงทําให้เราเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีจบนะเกิดในภพหยาภพละเอียดเป็นมนุษย์เป็นเทวบุตรเป็นเท ว, วดาเป็นอินเป็นพรหมแล้วจะแล้วแต่จะไปได้รูปอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คุณธรรมคุณสมบัติของเราจะเพึงมีมันก็ไปจับจองได้ตามนั้นน้ําก็เช่นเดียวกัน เร า, าเกิดในปัจจุการเช่นอย่างาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งเหล่านี้เป็นอาการของใจทางนั้นเวลาปฏิบัติถึงที่สุดแล้วเนี่ยท่านให้ปฏิบัติเพื่อละขันธ์ทั้งหนี้ขันธ์ทั้งห้านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราแต่ด้วยเหตุที่เรามีกิเลสตัณหาปนเปื้อนมากับใจของเราจึงทําให้เรายึดเหนียวแน่นมั่นของว่ากายเรากายของของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราเป็นของของเรามันพายเรายึด พระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกพระอริยาสาวกท่านชะล้างสิ่งเหล่านี้ออกจากจิตของท่านจนจิตของท่านเหลือแต่ผู้รู้หนึ่งเดียวที่บริสุทธิ์ไม่ปนเปื้อนกับสิ่งใดไม่เป็นสองกับสิ่งใดไม่เป็นกองสังขารสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวคือพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าจิตของพวกเรานั้นปนเปื้อนด้วยอํานาจของกิเลสกิเลสมันปนเปื้อนมาด้วย เพราะฉะนั้นจิตของเราจึงเป็นกองสังขารมีอนิจจังทุกขังอนัตตาพบชาติของเราก็ไม่มั่นคงสูงบ้างต่ำบ้างหยาบละเอียดเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมที่เราทําอย่าลืมว่าพบชาติของเราอย่าอย่าคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเท่าเดิมเหมือนเดิมถ้าทําพฤติกรรมต่ําๆทําพฤติกรรมที่เลวทรามบ่อยครั้งเข้าด้วยกายกรรมด้วยวิจีกรรมด้วยมโนกรรมพบชาติใหม่ที่เราจะพึงได้เราอาจจะไม่ได้เท่าเดิมไม่ได้เหมือนเดิม ไม่มีคุณสมบัติพอที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานตัวเล็กตัวใหญ่ก็แล้วแต่นะตามลงไปอีกเป็นสัตว์ในอบายนู่นเป็นสัตว์นรกตกนรกชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นเป็นเปรตเป็นอสุรกายนั่นนะในโลกวิญญาณในโลกที่เรียกว่าในอบายอบายภูมิอบายภูมิ แต่ถ้าหาเราพัฒนาจิตของเราดีขึ้นเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ชั้นดีเป็นมนุษย์ชั้นเลิศละเอียดขึ้นไปอีกเป็นเทวดาชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นละเอียดขึ้นไปได้พัฒนาถึงความสงบที่เราตั้งใจภาวนาให้จิตของเราได้รับความสงบละเอียดสูงขึ้นไปถึงนู่นชั้นพรหมจนถึงชั้นอรูปภพลมนะสามารถพัฒนาไปได้มันหากได้กายหากได้จิตละเอียดตามภูมิของจิตของเรานี่เองตามภูมิของจิตของเรานี่เราพูดถึงว่า ตัณหามันพันมาที่จิตของเราตัณหาเราฟังดูแล้วเหมือนกับมันมีตัวมีตนมันมีแต่กิริยาอาการเท่านั้นแหละกิริยาอาการความอยากของใจของเราถ้าเราตีความหมายไปอย่างอื่นเราดูไม่ออกเราตีมาที่กิริยาอาการของเราเราพอจะดูออกความอยากในใจของเราเราดูออกความต้องการของกายเช่นอย่างเราหิวอาหารเนี่ยร่างกายมันก็บีบเช่นอย่างท้องไส้มันก็บีบเนี่ย เราก็กเกียติได้ว่าโอ้นี่ทองเราหิวทองเราหิวอทองเราหิวเพราะร่างกายมันบีบร่างกายมันบีบเราก็ว่าหิวร่างกายมันบกคร่องแล้วก็ท้องมันบีบแท้ที่จริงถ้าหากเราพิจารณาในแง่ของอัดของทำนั้นท่านดูให้เห็นเป็นเพียงกิริยาของเวทนาท่านนั่นเองเวทนาคือร่างกายมันถูกบีบ นี่คือข้อเท็จจริงของมันแต่ความอยากในหัวใจของเรานั้นนะ่ะมันอยากอะไรมันก็สนองอยากอะไรมันก็สนองสนองตามความอยากตามความต้องการเราอดไม่ได้เราทนไม่ได้เราก็ตอบสนองให้กับมันอโดยไม่ได้คำนึงถึงพฤติกรรมใดๆทั้งสิ้นนี่อำนาจของตันหาที่มันมีอยู่ในหัวใจของเราเพราะฉะนั้นท่านจึงให้มีวิธีการต่อสู้กับมัน เราตั้งใจเริ่มรักษาศีลเช่อย่างไม่ฆ่าสัตว์ต้องต่อสู้กับมันแล้วเคยฆ่าเคยฆ่าไม่ฆ่าไม่ได้เคยฆ่าไม่ฆ่าไม่ได้ต้องได้เราสมาทานศีลแล้วเราต้องได้แน่เราต้องต่อสู้นะเราต้องต่อสู้ไม่รักซาบก็เช่นเดียวกันเคยมือสั้นมือยาวเคยหยิบเคยช่วย เ, เคยบิดเคยเบี้ยวเคยยักเคยย อ, อกมีเงี้ยมีนิสัยอย่างนั้นน่ะตั้งใจสมาเทียทานศีลแั้วต้องอดต้องทนต้องต่อสู้ต้องต่อสู้จากนั้นแล้วท่านก็ให้ยมี เจริญเจริญสัมมาอาชีวะประกอบชีวิตในทางที่ชอบไม่หยิบไม่ช่วยไม่ฉกไม่บิดไม่เบี้ยวไม่คดไม่โกงเนี่ยคือไม่ลักทรัพย์นอกจากไม่ลักทรัพย์แล้วยังให้มีสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีพสัมมาอาชีพนี้เป็นเรื่องของธรรมไม่ประพฤติผิดในการเช่นอย่างผิดประพฤติผิดคู่ครองของเราของเขาอ่ สามีภรรยานอกใจกันนี่ท่านเรียก ว, ว่าพระพฤติผิดคู่ครองของเราของเขาการพระพฤติผิด ค, คู่ครองนี่ปีโทษมากเพราะมนุษย์เรานั้นอะอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวไม่ได้จะต้องมีคู่ครองการมีคู่ครองนั้นด้วยเหตุที่สัตว์โลกมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านจะตัดออกเสียเลยทีเดียวเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงจํากัดให้เราเอาแค่ว่าสามีภรรยาไม่นอกใจกัน ถึงคราวบริโภคเราก็บริโภคไปเมื่อเราใช้ไฟในเตาแท้ที่จริงการบริโภคกามนั้นท่านถือว่าเป็นไฟนะเป็นไฟพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยเห็นให้ความสำคัญอย่างนั้นท่านจะไปดึงพระ น, นันธะออกบวชเหรอพระ น, นันธะน้องชายของพระองค์นะ่ะแต่งงานสดๆร้อนๆนนะ่ะนะพระ น, น, นะันธะ น, น่นันธแต่งงานกับนังชนอบทกรยานีแต่งงานเสร็จในพิธี น, มนิมนต์พพุทธเจ้าไปในงานแต่งงาน ยังไม่ได้แตะต้องอะไรกันแหละพระพูปติเจ้ากลับนิโครธารามแล้วก็ให้นันท่อุ้มบาตรตามไปส่งนันทาก็ทั้งๆที่ไม่อยากไปก็ด้วยความจําเป็น จ, จําใจคิดอยู่ในใจว่าพระองค์หันกลับมาเราจะมอบบาตรให้เราจะกลับไปถึงตรงไหนก็ตามแต่พระองค์หันมาเราจะมอบบาตรให้เราจะกลับรูปติยไม่หันมาไปจะถึงนิโครธารามพอไปถึงนิโครธารามก็ถามนันท่าเธอจะบวชหรือด้วยความเกรงใจ นะพี่ชายเป็นพี่ชายต่างมันดาบวดพระเจ้าข้าเลยจำเป็นจำใจต้องบวชแต่งานเสร็จใหม่ๆนั้นน่ะนะพุทธเจ้าทรมานทรมานนันทะพุทธเจ้าโหดร้ายไหมั้ยพระพุทธเจ้ามีอุบายที่จะทรมานบวชไปแล้วนันทะภาวนาไม่ได้เป็นไงนันทะภาวนาไม่ได้พระเจ้าข้าเออไม่เป็นไรไปไ ป, ไปพาไปพาไปเที่ยวสวรรค์นะ่ะพาไปดูนางฟ้านางสวรรค์นะ่ะ เพราะนัท่าติดรูปติดรูปเพราะนางชนบทกัลยาณีพุทธิย่ามันก็แค่นั้นเองเกิดชั้นไหนภพไหนมันก็มีอยู่อย่างนี้เป็นอย่นี้เป็นสัตว์มันก็ติดอยู่อย่างนี้เป็นมนุษย์มันก็ติดอยู่อย่างนี้อทําไง ม, มันจะออกได้สักทีถ้าหากเราไม่ตัดรากตัดเง้าตัดโคนของมันเนี่ยมันจะสงบไม่ได้มันจัดระงับไม่ได้ไหนสุดพ า, านันท่ไปดูนางฟ้าพานางลิงไปไปเห็นเทวใดชั้นต่ำๆเป็นไงนันทะงามไหมงามไปเจอะค่ะงามไปเจ้าค่ะ ไปดูชั้นสูงขึ้นไปอีกไปดูชั้นสูงขึ้นสูงสูงละเอียดขึ้นไปอีกเห็นเทวดางามๆทั้งนั้นเลยเป็นไงนันทงามงามพระเจ้าค่ะงามแล้วนางชั้นบทกาลยานีของเธอเป็นไงโอ้ยเหมือนนางลิงพระเจ้าค่ะเอเธออยากได้ไหมอยากได้ไหมเทวดางามๆเธออยากได้ไหมอยากได้พระเจ้าค่ะฉะนั้นลองจากนี้ไปให้เธอให้เธอตั้งใจภาวนานะเราจะเอาให้นี่พระพุทธเจ้านะหลอกพระนันทาน้องชายลองจากนี้ไปตั้งใจภาวนา นันทาก็เลยลงไปแล้วไปตั้งใจภาวนาเมื่อก่อนนั้นนันทาภาวนาไม่ได้เดินจกงกรมก็ไม่ être, นั่งภาวนาก็ไม่ได้หมู่เพื่อนพระเนรด้วยกันเห็นว่านันทามันาภาวนาไม่ได้แต่พอลงมาจากที่พระเจ้าพาไปชมสวรรค์กลับมาเนี่ยนันทาภาวนาตั้งใจภาวนาได้ดีและดีมากนานๆสักหน่อยหนึ่งก็เลยเรื่องมันก็เลยแตกว่านันทานี่ตั้งใจภาวนาเพราะอยากได้นางฟ้าคนนั้นก็ซุบซิบคนนี้ก็ซุบซิบหมู่เพื่อนทั้งหลายก็ซุบซิบอู้ยพนันทะ ละอายแก่ใจเหลือเกินเพราะละอายแก่ใจเท่านั้นนะไอ้เจ้าปัญหาก็คือนางฟ้าเพราะฉะนั้นในเมื่อเกิดความละอายแก่ใจเนี่ยตัดทิ้งทันทีนะเมื่อก่อนน่ะติดอยู่กับนางชนบทกัลยาณีที่แต่งงานใหม่ๆแต่ตอนนี้มาติดอยู่กับนางฟ้าในเมื่อมูเพื่อนกระซิบเกิดความละอายแก่ใจตัดนางฟ้าซึ่งเป็นปัญหาออกความคิดความอ่านสติสัมปชัญญะความรู้สึกอยู่กับเนื้อกับตัวจากนั้นก็ตั้งอกตั้งใจ จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะไม่ได้อยู่กับนางฟ้านะต้องโอ้ต้องใจภาวนานันทะไม่นานั น, นทะได้บรรลุพระอรหันต์นี่วิธีการของพระพุทธเจ้าพูดทั้งนี้เป็นแง่คิดว่าพระพุทธเจ้าเห็นว่าเรื่องเหล่านั้นพระองค์ไม่ให้ความสําคัญแต่พระองค์จะใช้ตามอิบายตามวิธีที่พระองค์จะทําให้เกิดประโยชน์กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้นเช่นอย่างพระนันทะเป็นน้องของพระองค์พระองค์ต้องทําได้ แล้วก็ดูไปตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันและพูดถึงอนาคตที่นั้นท้าจะเข้าถึงได้พระพุทธิยถาท่านก็เลยทำพวกเราทั้งหลายอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวไม่ได้เรามีคู่ครองเพราะฉะนั้นท่านจึงจำกัดว่าอ้าวอย่านอกใจกัน อ, อย่านอกใจกันในเมื่อเราต้องการบริโภคกามคือยอดข้องกามเราก็ทำได้อย่างน้อยเหมือนกับเราบริโภคไฟในเตาเราใช้ไฟอยู่ในเตาไฟอยู่ในเตามันจะไม่เกิดโทษ มันจะมันจะไม่ออกไปไหม้ที่นู่นที่นี่นะฮะมันก็เกิดประโยชน์ใช้หนึ่งใช้ปิ้งใช้หงุงใช้ต้มใช้อะไร อ, อะไรได้หมดนี่ท่านไม่ให้ความสําคัญท่านไม่ให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาเรานอกใจกันมันจึงมีโทษมากท่านจึงให้คิดว่าสามีภรรยานี้เป็นสมบัติแก่กันและกันสามีเป็นสมบัติของภรรยาภรรยาเป็นสมบัติของสามีถ้าหากนอกใจกันสามีนอกใจภรรยา ก็ว่าสามีนี่เอาสมบัติของภรยาไปบำรุงบำเรอคนอื่นเป็นโทษภรรยานอกใจสามีถือว่าภรรยาเอาสมบัติของสามีไปบำรุงบำเรอคนอื่นคำเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เราฟังแล้วมันเป็นสเสนียดเป็นใจนไรห้หัวใจเหลือเกินเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีถ้าเราตั้งอกตั้งใจสงบระงับได้มันจะทําให้ชีวิตครอบครัวของเราอยู่เย็นเป็นสุขถ้าทําไม่ได้สงบระงับไม่ได้ ร, ร่าเรอน ร้อนรุ่มในหัวใจบ้านแตกซาแพร์ขาดเคยเห็นมากต่อมาก์นี่พระพุทธเจ้าท่านจึงให้ความสําคัญจะให้ความสําคัญกันได้จะต้องนึกคิดว่าสามีจะต้องนึกคิดว่าภรรยาเป็นคู่บา ร, รมีของเราภรรยาจะต้องนึกคิดว่าสามีเป็นคู่บา ร, รมีของเราสุกสุขด้วยกันทุกทุกด้วยกันทำมหากินหนักเบาวช่วยเหลือเกื้อนของซึ่งกันและกันไม่นอกใจกันให้ความเคารพนับถือซึ่งกันและกันให้ความเคารพถึงวงตระกูลบิดามารดา ทั้งสองฝ่ายแก่กันและกันจากนั้นแล้วก็ทํามหากินอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อมีความการทำมหากินอยู่เย็นเป็นสุขแล้วตั้งอกตั้งใจเผานาหยใจได้รับความสงบสามารถแสวงหาอัดหาธรรมขึ้นในหัวใจของเราได้นี่แค่ศิ่งข้อสนะแต่ถ้าหากเราไม่มีศิ่งเรดือดร้อนเราเดือดรอ้รด อ, ดรอนเลยแหละสิ่งข้อสที่เป็นธรรมข้อสามนั้นนะ่ะในเบญจธรรมนั้นท่านว่าให้สันโดดในคู่ครอง ให้สันโดดคือยินดีในคู่ครองของตัวเองนี่อันนี้เป็นธรรมนะแล้วก็ไม่ให้พูดยาพูดเทศพูดยาพูดซอเสียดพูดเฟเจอรท่านให้มีสัจจะสัจจะสัตยะรวมไปถึงสัจสัจจะธรรมลึกๆเข้าไปอีกนมีความสำคัญนะคำว่าสัจจะเนี่ยเพราะว่าความไม่มีสัจจะเราฟังไม่ได้เรามีเพื่อนหนึ่งคนเราไปทำนู่นทำนี่ทำอะไรด้วยกัน หากเราฟังแล้วฟังเล่าได้ยินแล้วได้ยินเล่าที่เขาพูดคำไม่จริงกับเราเนี่ยเราจะเกิดความรู้สึกยังไงจะเกิดความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจไหมจะฝากงานนู้นจะฝากงานนี้จะสั่งการอย่างนั้นอย่างนี้จะสั่งให้ไปบอกคนนั้นอย่างนั้นอย่างนี้บอกได้ไหมตายใจไหมกับคนแบบนี้จะฝากอะไรให้เป็นที่ อ, อบอุ่นใจเป็นที่มั่นอกมั่นใจได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราไม่ซื่อตรงต่อกันเลิกกันนั่นแหละ มันจะมีคําว่าคําว่าเทศเทศเทมันจะเป็นคําพูดเทศก็ตามมันจะเป็น ah กิริยาเทศก็ตามมันจะเป็นลายเซนเทศก็ตามมันจะเป็นหลักฐานเทศก็ตามมันเป็นเรื่องของมุสาเท่านั้นเป็นเหตุนําทุกน้าโทษมาให้เท่านั้นท่านจึงให้มีสัจจสัต์ซื่อสัตทะย์ะตรงไปตรงมาซื่อสัต์สุดจริตนะนอย่างสามีภรรยาซื่อสัต์สุจริตต่อกันและกันเนี่ยหรือไม่หมู่เพื่อนทํางานด้วยกันมีความซื่อสัจสุจริต ตรงไปตรงมาไม่คดไม่เคี้ยวไม่งไม่งอไม่บิดไม่เบี้ยวไม่คดไม่งอเป็นคนตรงไปตรงมาทําให้เราอยู่เย็นเป็นสุขจากนั้นแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือไม่มอมเมาตัวเองให้เมาเพราะเมาการเมาด้วยสุราด้วยยาดองน่ะนะท่านถือว่าทําลายสติทําลายสติก็คือทํำลายคนเราพอจะเป็นผู้เป็นคนเพราะว่าเรามีสติถ้าเราขาดสติเมื่อไหรเราเลือความเป็นคนน้อยนะ แล้วก็สมมติเมามาปั๊บเนี่ยผิดศินข้อหนึ่งก็ง่ายข้อสองก็ง่ายยิ่งข้อสามยิ่งง่ายในยุคสมัยสังคมที่ทํางานร่วมกันอ่าคลุกคลีกันผู้ชายผู้หญิงทํางานคลุกคลีกันเรามีสิ่งเหล่านี้เข้ามาโอกยมันมึนมันมึนไปหมดแหละมันหน้าด้านไปหมดแหละมันเอาไม่อยู่เลยเนี่ยไปผิดสินข้อข้อข้อห้าข้อเดียวนะะมันจะทําให้เราผิดสินข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ผิดง่ายมากนี่มีความสําคัญนะเรื่องศิน เรื่องศีลทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้การตั้งใจรักษาศีลนั้นเราต้องต่อสู้บอกแล้วต่อสู้กับอะไรต่อสู้กับตัญหาใน ห, ในหัวใจของเราเพราะตันหามันจะดึงอะไรตามใจชอบของมันแต่พระพุทธเจ้าท่านมีหลักมีเกณฑ์ให้เราทาไม่ใช่เราทาอะไรตามใจชอบทาตามใจชอบคือทําทำตามใจตัญหาตัญหากับกิเลสกับอาสวะกับอุปาทานกับอะไรต่ อ, อะไรมันอันเดียวกัน มันมาจากตันหาคือสมุทยัยสมุทยัยทุกขัตสะสมุทัยสัตว์ที่ท่านพูดเอาไว้สมุทัยสัตว์คืออะไรตันหาการตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาเราไม่ต้องปไปไล่อย่างนั้นก็ได้เราดูมากับความอยากในใจของเราในใจของเรามีความอยากความอยากนี่แหละท่านเรียก ว, ว่าตัหาอยากด้วยความโลภ ทำตามอำนาจของความโลภอยากและก็ทําตามอํานาจของความโกรธอยากและก็ทําตามอํานาจของราคะตัณหาอิจฉาริสยาพยาบาททาด้วยอํานาจของความอยากการที่เราหลวมตัวทําตามอํานาจของความอยากอยาก่างนี้นี่แหละเป็นการอํานวยให้กับสมุทัยที่ที่เรียกว่าทุกขสมุทยัยสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในเมื่อเราหลวมตัวประกอบสิ่งเหล่านี้ไปตามอํานาจของสมุทัยแล้ว เป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ซึ่งกองทุกข์เป็นเหตุให้มีพะมีชาติเป็นเหตุให้มีตัวมีตนเป็นเหตุให้มีครอบมีครัวเป็นเหตุให้มีการยึดให้มีการถือนี่คือตันหาราบใดที่เรามีความอยากทำตามอําอนาจของตันหานี่เป็นสมุทยัยเป็นเหตุนํามาซึ่งความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าท่านให้ถือตามพระประพฤติตามปฏิบัติตามเพื่อสงบระงับดับความทุกข์ ถ้าเราไม่รู้จักคําว่าสมุทัยสมุทัยเราก็ประพฤติผิดอยู่ร่ำไปเราก็มีความทุกข์อยู่ร่ําไปถ้าหากอยากอีกอย่างหนึ่งอยากรักษาศินเงี้ยอยากสงบพระงับไม่ให้จิตของเราว้าวุ่นกับรูปกับเสียงกับเรื่องราวสารพัดอยากปฏิบัติให้จิตได้รบความสงบอยากมีปัญญาอยากได้อัดได้ทำอยากให้ทานอยากเป็นคนดีอยากได้มรดกได้ผลอยากได้นิพพาน ความอยากอันหลังนี้นี่เป็นมัคอาศัยใจดวงเดียวนี่แหละอยากอย่างหนึ่งเป็นสมุทัยอยากอีกอย่างหนึ่งเป็นมัคอยากอย่างไหนที่เราควรละอยากอย่างไหนที่เราควรบำเพ็ญอยากอย่างมัคเราควรบำเพ็ญอยากอย่างสมุทยัยเราควรละนี่มันก็เข้าหลักอริยศัสตร์แล้วทุกสมุทัยนิโรธมัคมีเหตุกับผลสองอย่างนี้สรุปลงมาแล้วมีเหตุกับผลเท่านั้น เหตุอย่างหนึ่งนําทุกนําโทษมาให้เหตุอีกอย่างหนึ่งมาสงบระงับดับความทุกข์เราจะเอาอันไหนล่ะในเมื่อเราต้องการความสุขความเจริญไม่มีใครแม้หนึ่งเดียวที่ต้องการความทุกข์ยากลาบากในหัวใจของเรามีแต่ต้องการความสุขความเจริญทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราทิ้งสิ่งเหล่านี้ปล่อยให้ชีวิตจิตใจของเราสเปะสปะไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไม่รู้ว่าอะไรคือหลักไ ม, ไม่รู้ว่าอะไรคือมรรคคือทางดําเนินคือข้อประพฤติคือข้อปฏิบัติลืมไปหมด หนักๆเข้าไม่มีศีลไม่มีธรรมอันนี้เราใช้ไม่ได้ความเป็นอยู่ของเราโอกาสที่จะโลง่งทงปลอดโปร่งหาความสุขความชุ่มอย่าง น, น้กับหัวใหญ่ของเราไม่มีเรื่องของตัณหาที่มันพาให้เราอยากทํานั้นมันดึงเราทําไปตามสิ่งที่เลวทามต่าําช้าทั้งนั้นให้อยากฆ่าสัตว์อยากลักทรัพย์อยากประพฤติผิดในกรรมโดยเฉพาะเรื่องเรียวนี่ยโอ้ยวุ่นวายสารพัดแหละเรื่องประพฤติผิดในกรรมเนี่ยวุ่นวายสารพัดตามมาไม่มีจบไม่มีที่จบ ถ้ากเราตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาและลุอํำนาจให้กับมันพระพุทธเจ้าท่านว่าหลงประพฤติไปตามอำนาจของกามสุขาลิการโยกประกอบตอนผัวพันในกามนะอันนี้เป็นทางผิดนะตั้งใจปฏิบัติจนตายมันก็ไม่ได้อาจได้ทำาได้มากได้ผลนะเหมือนอย่างเราต้องการสีไม้ให้เกิดไฟเอาไม้ที่ชุ่มโดยยาง ไม้สดๆชุ่มใดยอย่างแล้วก็ยังถูกแช่อยู่ในน้าเอาไปขัดเอาไปสีสียังไงไฟมันจะเกิดเกิดไม่ได้เพราะไม้มันสดๆแล้วเอาไปแช่อยู่ในน้ําอีกคําว่าแช่อยู่ในน้ําหมายความว่าจิตใจดวงนั้นนี่บริโภคกามอยู่ร่ําไปไม่เคยลดไม่เคยละไม่เคยงดไม่เคยเว้นตั้งใจเดินตามหลักของสมุทัยแท้ๆจะหาความสุขความเจริญได้ที่ไหนเพราะฉะนั้นเราจะต้องเจริญตามหลักของศีลของสมาธิของปัญญาสรุปลงมาจากอริยมรรคมีองค์8 สรุปสมาธิศินที่สมาธิสี่ปัญญาตามภาคตามภูมิตามเพศของเราเพศครว่าตือสินห้างเงี้ยตั้งใจปฏิบัติมีศินมีธรรมแค่รักษาสินให้บริสุทธิ์ได้มรดได้ผลได้นิพพานธรรมะสามารถจะพึงเกิดขึ้นเจริญขึ้นในหัวใจของเราได้ถือศิน8ตั้งใจรักษาให้บริสุทธิ์เป็นกําลังใจเสริมเข้ามาแต่สินแปนี้เป็นศินของพรหมจรรย์นะสินแผเนี่ย เพราะถ้าถือศีลแปดปั๊บสมาทานศีลแปดปั๊บสามีภรรยาก็เกี่ยวข้องกันไม่ได้นะละเอียดไหมละเอียดพุทธเจ้าไม่ให้ความสําคัญสิ่งเหล่านั้นน่ะแต่หากสัตว์โลกเขามีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้พระองค์ก็เลยจํากัดอย่างน้อยๆให้เขามีแค่หนึ่งคู่อ่าเขามีสามีให้มีภรรยาแล้วฉันโดดด้วยกันตั้งอกตั้งใจทําสมาธิให้สงบเพระสงบได้มันไม่มีปัญญา ม, มันไม่มีปัญหามากก่อกวนใจใเรา ได้รับความทุกข์ได้รับได้รับความวุ่นวายและตั้งใจเผาหนา ใ, หใจได้รับความสงบใจย่อมสงบอย่าลืมว่าใจของเราสงบทีไรเมื่อไรนั่นแหละใจของเราจะเริ่มสงบระงับจากตัณหาเราพูดถึงวัตถุกรรมสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสอันนี้เป็นวัตถุกรรม้วยเหตุที่รูปเสียงกลิ่นรสเหล่านั้นน่ะมันเป็นเหตุที่จะทําให้ตัณหามันสวมรอยมาได้ง่ายๆท่านจึงเรียกว่าวัตถุกรรม ตราบใดที่กิเลสกามในหัวใจของเรายัางมีสิ่งเรานั้นกลายเป็นวัตถุ ก, กามมันจะดึงจิตของเราออกนอกลู่นอ ก, ก, นอกทางให้นึกเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องเรื่องรสสัมผัสอยู่ร่ำไปท่านจึงให้หยุดหยุดก็คือตั้งใจภาวนาให้ใจอยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมพุทโธพุทโธพุทโธนี่คืออารมณ์ที่เป็นธรรมถ้าเราอยู่อย่างนี้เราทําอยู่อย่างนี้ยืนเดินนั่งนอนเราอยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมผลรายได้เป็นเรื่องของธรรม แต่ถ้าตรงกันข้ามแล้วเราถ้าเราไม่ทําเราไม่บริกรรมพุโทโธแล้วก็ไม่ตั้งใจสงุสมัสมรวมระมัดระวังเรื่องศีล น, นะเราก็าจะอยู่ด้วยอํานาจของกิเลสถ้าหากเราไม่เอาจิตของเรามามาบริกรรมทำรร ม, มาดำริธรรมกิเลสมันก็เอาใจของเราไปทํางานกลายเป็นกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากผลรายได้เป็นเรื่องของกิเลสถ้าหากเราอยู่ด้วยการปฏิบัติธรรมเราจะมีธรรมเป็นวิบาก ทำกรรมวิบากทำกรรมวิบากกิริยาที่เราทําเช่นอย่างพุโทโธพุโทโธพุโทโธนั่นแหละคือกิริยาที่เราทําเราทําทําเราประกอบทำผลรายได้เป็นเรื่องของทำทำจะพึงเจริญเงาะเงิ น, นหัวใจของเราแต่ถ้าหากเราไม่ทํากิเลสมันดึงจิตของเราไปทําโดยอัตโนมัติไม่ต้องตั้งใจทํำดอกหากมันเป็นธรรมชาติมันต่ําเหมือนกับกระแสน้ามันไหลลงที่ต่ํอ่าจิตของเราโดยปกติมันจะไหลลงกระแสต่ํา ไหลลงตามนะของตัณหามันจะลอยตามนะของกิเลสกิเลสมันจะพาเรานึกเราคิดมันอิสระในการที่จะนึกที่จะคิดสารพัดในหัวใจของเราเรื่องของกิเลสตัณหาในหัวใจของเราเราดูเอาเถอะนึกรักนึกชังนึกโกรดนึ ก, กเกล็นึกสารพัดแล้วแต่มันจะนึกจะคิด น, นี่เรื่องของกิเลสถ้าหากเราไม่มีบทที่เป็นมรรคมากํากัดลืมศินลืมธรรมไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องหักห้ามเพราะฉะนั้นสินธรรมจึงเป็นเครื่องหักห้าม เราเจริญด้วยธรรมเราอยู่ด้วยธรรมเราจะมีผลรายได้ผลวิบากเป็นเรื่องของธรรมชีวิตทั้งชีวิตทราอุทิศให้กับธรรมเราพยายามต่อสู้กับอำนาจของฝ่ายต่ำคือกิเลสตัณหาในหัวใจพยายามตั้งสติตั้งสัมปชัญญะกำหนดจดจ่อทุกระยะทุกเวลาทุกนาทีเราก็จะเป็นผู้มีศีลมีธรรมจิตใจของเราก็จะเป็นผู้มีศีลมีธรรมมีธรรมเป็นวิบากสมบูรณเรามีธรรมในหัวใจของเรา 80% ซอย่างเงี้ยโอ้เป็นผู้มีคุณสมบัติสูงมาก หรือไม่ก็หกสเงี้ยกิเลสมี40มันก็มันก็น้อยกว่าเราแล้วโอกาสที่มันจะแสดงมาทุกขณะแต่ว่าความนึกคิดทางธรรมมันมีมากกว่าอันนี้เราเพียรเทียบเป็นเปอร์เซ็นอ์เซ็นนะกิเลสมันก็ลดลงไปเรื่อยลดลงไปเรื่อยแต่อย่าลืมว่ากิเลสกับธรรมมันไม่เกิดที่ไหนมันเกิดที่หัวใจดวงเดียวกันตราบใดที่ธรรมะคิดเรื่องละเอียดได้กิเลสมันก็คิดเรื่องละเอียดได้เช่นเดียวกันเพราะมันเกิดที่ใจดวงเดียว สนามใดที่เราเจริญทำในหัวใจของเรากิเลสมันก็ตามเต้ยต้ยต้ยต้ยเผลอปั๊บสวมรอยปุ๊บเผลอปั๊บสวมรอยปุ๊บอันนี้นักภาวนาจะรู้จะเข้าใจทันทีสราบใดเราเผลอขาดสติขาดสัมผัสัญญาปั๊บปู้พุทธโธหายแล้วมันรู้จะเข้าพุทธรู้จะเข้าพุทธหรือจะออกโธหรือจะเข้าโธหรือจะออกพุทธ<ม>ไม่รู้จะพองว่ายุคไม่รู้ว่าจะยุคภาพพองไม่รู้แล้วมันขาดสติขาดสติขาดความระลึกได้ ไม่รู้อะไรเกิดในขึ้นในปัจจุบันไม่รู้แหละว่าสุว่าเดาวไปอย่างนั้นแหละนี่คือขาดสติเพราะฉะนั้นการตั้งใจปฏิบัติไม่ปล่อยชีวิตจิตใจของเราให้ล่องลอยไปตามอำนาจของกิเลสจึงเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งในชีวิตจิตใจของเราทุกอาชีพเราสามารถทำมาหากินได้แต่ที่สําคัญที่สุดไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมด้วยไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองด้วยอันนี้เยี่ยม ที่จะเรียกว่าสัมมาอาชีพสัมมาอาชีพนั้นไม่ผิดศีลด้วยไม่ผิดธรรมด้วยไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองด้วยไม่ผิดข้อกําหนดที่เรากําหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเป็นเครื่องดูแลปกป้องคุ้มครองแก่าการละกันด้วยเนี่ยมันเป็นสัมมาอาชีพเราอยู่เย็นเป็นสุขที่ใดก็ตามถ้ามีการปีนเกลียวขาดศีนขาดธรรมปีนเกลียวกฎหมายบ้านเมือง สะหนอยหนึ่งด้วยเหตุที่ผิดศีลผิดธรรมด้วยเหตุที่ผิดกฎหมายบ้านเมืองด้วยเหตุที่ผิดระเบียบเพราะระเบียบทั้งหลายมันมีผู้ถือระเบียบกฎหมายมันก็มีผู้ถือกฎหมายแต่เรื่องศีลเรื่องธรรมนั้นเราต้องซื่อสัสตย์สุดจริตเองไม่มีใครมาตามรู้ตามเห็นว่าเรามีธรรมหรือไม่มีธรรมแต่พฤติกรรมที่แสดงออกนั้นมันจะบอกว่าเรามีศี ล, ห ร, ลหรือไม่มีศีลมีธรรมหรือไม่มีธรรมเพราะฉะนั้นจึง มีความสําคัญใครตั้งใจสามารถรักษาศีลได้ตั้งใจสามารถสรํารวจระมัดระวังธรรมะให้เจริญงาะเงินในหัวใจของเราได้คนนั้นเป็นคนหวังเชื่อตัวเองได้มั่นใจตัวตัวเองได้แต่เรื่องของกฎหมายบ้านเมือง น, นั้นมันเป็นเรื่องที่เร า, าบางทีก็มันเป็นของที่มันไม่ละเอียดเท่ากับศีลกับธรรมบางทีเราอาจจะแอบทําในที่ลับก็ได้ ทำในที่แจ้งจงแจ้งก็ได้แอบทําในที่ลับก็ได้แต่เรื่องของศีลของธรรมเราจะทําที่ไหนเราก็ต้องรู้ทําผิดก็คือผิดเป็นเป็นอกุศลทําถูกก็คือถูกเป็นกุศลจะทําในที่แจ้งจะทําในที่ลับไม่สําคัญนี่มีความสําคัญอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเราจะพัฒนาชีวิตจิตใจของเราอย่าลืมศีลลอย่าลืมธรรมท ำ, ทำก็อย่าลืมสมถะธรรม อาลวิปัสนาธรรมวิปัสนาธรรมพระพุทธเจ้าท่านทรงเอามหาสติมาให้เราเจริญอารมณ์ของมหาสตินั้นคือกายคือเวทนาคือจิตคือธรรมการที่เราภาวนาพองเนาะยุบหน อ, หนอพองหนอยุบหนอมันก็เป็นอารมณ์ของสติปัฐานเป็นอารมณ์ของมหาสติปฐานกําหนดอารมณ์อารมณ์อะไรก็ อ, อารมณ์ที่ร่างกายมันพองที่ร่างกายมันยุบ หายใจเข้ามันก็พองหายใจออกมันก็ยุบกาหนดอารมณ์แบบนี้คือความไหวของกายอ่าอันนี้มันก็เป็นการตามสังเกตดูตามสังเกตให้รู้แล้วก็ดูความเกิดขึ้นข้างมันแล้วก็ดูความเสื่อมไปข้างมันดูไปเพื่อจะยังไปถึงหลักอันนี้จังทุกขังอนัตตาทุกภาวะทุกสภาวะความมีความเป็นมันมีอยู่อย่างนี้เป็นเป็นอยู่อย่างนี้เรากําหนดจดจ่ออย่างนี้ แท้ที่จริงก็คือเอาสติมากำกับมาทำให้จิตได้รับความสงบให้อยู่กับอารมณ์นี้เองแต่ถ้าหากสติเราไม่ดีปัญญาแก่กล้าของเราจะเป็นไปได้ยากถ้าสติของเราดีรเราอยู่กับอารมณ์จิตเราก็สงบละสงบคือจิตไม่ดิน้นรนไปตามรูปตามเสียงตามอะไรอย่างอื่นอยู่กับเรื่องที่เราให้เขาทำเพราะฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณากายตามกาหนดจดจ่อกายการพิจารณาลมเข้าลมออก เราจะบริกรรมพุทธก็ได้โทรก็ได้ลมเข้าพุทธลมออกโทก็ได้การที่เราบริกรรมอย่างนี้เป็นการเจริญสติเอาอารมณ์เข้าเอาลมเข้าลมออกเป็นอารมณ์การพิจารณาอย่างนี้มันเป็นการพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญามันไม่ใช่กำหนดจดจ่อให้จิตสงบอย่างเดียวแต่ต้องมีสติต้องมีสัมผชัญญามีสมาธิตามที่ฝึกฝนอบรมมา มีปัญญาเกิดขึ้นจากการที่จากลำดับที่เราทําสืบเนื่องกันมาทําให้เรารู้เท่าทันอารมณ์จนสามารถยังเข้าไปถึงหลักสักจธรรมที่ละเอียดลึกเข้าไปเนี่ยเราดูลมเป็นอารมณ์ที่พระพุทธเจ้าท่านเอามาทรงมาเจริญในวันที่พระองค์ได้ตรัสรู้สมัยพระองค์ไปบําเพ็ญตั้งแต่สมัยเป็นไปแรกนาขวัญน่ยพระองค์ ไปเจริญแล้วก็ทำให้พระองค์เนี่ยมีอภินิหารนะในตั้งแต่สมัยเป็นธารกตั้งแต่สมัยเป็นยังยาวยังทรงพระยงทรงพระยาวอยู่นะ่ะพอมาตอนบำเพ็ญในวันที่พระองค์จะตัดสรุปพระองค์ก็จับลมอิ่มกันลมก็คือกายเราไปดูในบทแรกของมาสติปฐานเปิดไปก็เห็นอนาปานสติกํำหนดลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกกำหนดเพื่อให้ใจของเราได้รับความสงบมันต้องสงบซะก่อน สงบซะก่อนนะคืออยู่กับอารมณ์นั้นแหละดูอยู่กับอารมณ์นั้นด้วยรู้ความเกิดของมันด้วยรู้ความดับของมันด้วยแล้วมันเกิดอะไรในขณะที่มันอยู่กับอารมณ์นั้นๆท่า น, น, นหามแสดงตัวไม่ได้ทำไมจึงแสดงตัวไม่ได้เพราะเราพยายามใช้สติของเรากําหนดจดจอ่อดูอาการของลมตมเข้ายาวาให้รู้ว่ายาวลมเข้าสั้นใครรู้ว่าสั้น ลมเข้ายาครู้ปยาลมออกยาครู้ปยาลมเข้าสั้นใครรู้ว่าสั้นลมออกสั้นใครรู้ว่าสั้นกลั่นลมทั้งให้รู้กำหนดลม ท, ยยทั้ใครรู้ทําังไงทั้งให้รู้รู้หมดทุกอย่างนี่คืออานาปานสติในเมื่อเราอยู่อ ย, อย่างนี้มันเป็นการตัดกระแสตัณหาปกติตัณหาถ้าหากเราเผลอปับ๊บมันดึงจิตของเราไปใช้ที่อื่นเผลอปับ๊บดึงจิตของเราไปใช้ที่อื่นมันแตกต่างไปจากเราเจริญสมถะไหม ดูไปแล้วมันก็ไม่แตกต่างเราเอามาพิมันเป็นคำพูดเฉยอเอามาพูดว่าสมถะเอามาพูดว่าวิปัสสนาถ้าเกิดในใจของเราดวงเดียวเราจะไปสำคัญมั่นหมายทาไมช่วงใดระยะใดเกิดสมถะเราก็ปล่อยให้เกิดไปช่วงใดสมถะด้วยแล้วก็พิจารณาด้วยเนี่ยมันก็เกิดประโยชน์สำหรับหวัวใจของเราแต่ท่านแยกเอามาพูดเฉยเท่านั้นเองเจริญสมถะเจริญวิปัสสนา บางคนก็ไปตําหนิส ม, มัติโอ้ยเจราาิญทําไมสมัติเสียเวลาเสียเวลาเสียเวลาอย่าลืมว่าสมัติที่พระพุทธเจ้าท่านให้เจริญนั้นสมาธิที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องนั้นเป็นสัมมาสมาธิไม่ใช่สมาธิหัวต่อไม่ใช่สมาธิมิจฉาสมาธิมิดฉ้าสมาธิคือรับรั บ, บมิดหายเงียบไปเลยไม่รู้ที่ไปที่มานี่คือมิดฉ้าสมาธิเมือ่อเรานอนหลับ เรตื่นขึ้นมาก็ไม่มีกําลังมังชาอะไรหรอกแต่ถ้าถ้าเราเจริญตามสัมมาสมาธิที่พระพุทธญาทรงตรัสนั้นน่ะจิตอยู่ในวิโตวิจารณ์ก็รู้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเราก็รู้หนักๆเข้าจิตอิ่มอารมณ์ทิ้งพุทโธอยู่กับปิติอยู่กับความสุขอยู่กับความสุขอยู่กับเอกคตาอยู่กับอุเบกขาอยู่กับเอกคตา มีความรู้อยู่รู้อยู่ในตัวของตัวเองรู้ว่าจะของมีสุขรู้ว่าจะของเป็นสุขอุเบกขาหมดกิริยาอาการแต่ผู้รู้โรคดำรงตนอยู่อย่างนั้นโดยเอกเทศของตัวเองนะจากนั้นขยับขึ้นมาก็จะเริ่มรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวอยู่ในขั้นที่เราพิจารณาได้เราสงบด้วยเราพิจารณาด้วยเป็นเรื่องของวิปัสสนา วิปัสนาที่เราพูดถึงนี้คือแบบอย่างเราพยายามยกจิตของเราขึ้นสู่อารมณ์ที่เราพิจรารณาพิจารณาอะไรพิจารณาความหลงแหละหลงกองสังขารหลงร่างกายของเราคือกองสังขารหลงจิตของเราคือกองสังขารอย่าลืมว่าจิตของพวกเรานั้นมีกิเลสเป็นสองผู้รู้เป็นสองกับกิเลสนี่เป็นกองสังขารแต่ผู้รู้ของพระพุทธเจ้าตัดกิเลสออกได้หมดแล้วท่านไม่เรียกกองสังขาร เป็นสิง่งอื่นที่เป็นอื่นไปจากกองสังขารที่เรียกว่าวิสังขารวิสังขารอ่าเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่ตัวเราไปจนถึงสิ่งที่อยู่รอบข้างตัวเรารวมไปถึงหมดโลกกระธาทั้งโลกกรธาเนี้มีแต่กองสังขารทั้งนั้นยกเว้นจิตที่บริสุทธิ์ที่บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสคือจิตของพระพุทธเจ้ากับจิตของพระสงฆ์สาวกพระอริยะสาวกที่สั้นเป็นพระอรหันต์นั่นคือไม่มีกองสังขารในเมื่อไม่มีกองสังขารท่านก็ไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตา ท่านไ ม, ไม่ต้องไปมีภพ ท, ท่านไม่ต้องไปมีชาติเพราะท่านสงบระงับดับตัณหาได้ทั้งหลายทั้งปวงตัณหาสงบระงับได้จริงไหมตัณหาในสงบระงับได้จริงต่ครับเลยที่ท่านเจริญสติโโรย์เต็มหัวใจของเราเนี่ยตัณหาแสดงตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราเจริญสติเต็มที่มีสติมีสัมผชัญญะมีสมาธิเต็มที่เช่นอย่างเรากําหนดจดจอ่อความเจ็บความปวดเนี่ยนะ เราเห็นสักเท่าไหรเจ็บเห็นสักเท่าไหร่ปวดเวลาดำรงสติเต็มแปร่อยู่ในความรู้ในผู้รู้ของเราเราจะเห็นสักเท่าเห็นเราจะได้ยินสักเท่าได้หร่เราจะไม่ยินดีเราจะไม่ยินร้ายตราบตราบใดที่ยินยินดียินร้ายตัณหามันแสดงเข้ามาเมื่อตัณหาแสดงเข้ามาทําให้เรายินดีทําให้เรายินร้ายนี่คือตัณหามันสวมรอยเข้ามาพอเรายินดีเราก็ยึดเราก็ถือ เอาเราก็ยึดเอาเราก็ถือเอาเราก็สแสวงหาแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นอยู่อย่างนั้นแหละสําคัญมั่นหมายว่าเป็นเราสําคัญมั่นหมายว่าเป็นของของเราแล้วก็สแสวงหาแล้วก็ถือมั่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแหละเวลาสิ่งเหล่านั้นพลัดพรากจากเราไปมีจะกองทุกเต็มหัวใจนี่ท่านจึงให้กําหนดจดจอ่อไม่ให้ความยินดีเกิดขึ้นไม่ให้ความยินร้ายเกิดขึ้นทำปรากฏเฉพาะหน้าเป็นสัจะธรรมล้วน และตอนนั้นตันหาแสดงตัวไม่ได้ตันหาใหม่เกิดไม่ได้สงบระงับและปฏิบัติกําหนดจดจอยอยู่ตรงนี้ความยินดีจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสที่มันมาสัมผัสทางอวัยตระนภายในเราทั้งหมดนั้นยินดีไม่เกิดชินร้ายไม่เกิดเมื่อยินดีไม่เกิดยินร้ายไม่เกิดตันหาไม่เกิดตันหาไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดภพไม่เกิดชาติไม่เกิด ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นโสกปริเทวะทุกขะโทมานัสสะเป็นระลอกไปจนสุดอุปายาตอุปายาสารเกิดไม่ได้การสงบระงับดับความทุกข์คือต้องสงบระงับดับตัณหานะจะเอาอะไรมาสงบระงับดับตัณหาก็เอามักนั่นแหละเราต้องตั้งใจรักษาสินแนบแน่นมั่นของเป็นอธิศินเจริญสมาธิให้ได้อธิจิตคําอาธิจิตก็คือจิตสงบแนบแน่น เป็นสัมาสมาสมาธิเจริญเจริญอธิปัญญาพิจารณาจนเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อธิศิญยิ่งอธิจิตยิ่งอธิปัญญายิ่งเจริญอย่างยิ่งแล้วก็จะทําให้เรามีกําลังเพียงพอที่จะรู้เท่าทันความเป็นไปของตัณหาในหัวใจของเราตัณหาในเมื่อมันเกิดไม่ได้มันเกิดไม่ได้ในขณะนั้นมันเป็นตัณหาใหม่มันจะเพิ่งเกิดขึ้นยินดียินร้ายไม่เกิดขึ้น ตันหาใหม่ไม่เกิดแต่ตันหาเก่ามันส่งรามาแล้วยังมีความรุ่มหลงในกายอยู่ท่านจึงให้ตามพิจารณากายตามพิจารณาเวทนาตามพิจารณาจิตตามพิจารณาธรรมในอารมณ์ของมหาศติตันจัดไว้สี่อย่างแต่เราจะเอาอารมณ์อะไรก็ตามมาพิจารณามันก็ไม่นอกเหนือไปจากสี่อย่างนี้พิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งทะลุทั่วถึงกันหมดเพื่อให้รู้ให้เห็นความเป็นไปของตันหา จนตันหาไม่มีช่องทางที่จะแทรกเข้ามาในหัวใจของเราได้และก็มันเป็นการดัดแปลงจิตดวงนั้นน่ะให้สงบลงให้สงบลงสงบสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่มีอะไรทําหากมันเป็นกิริยาที่มันเกิดขึ้นกลับมากับผู้รู้ของเราเองเราไม่เคยฝึกฝนอบรมมาตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมันติดภบชาติมาเราตั้งแต่กลับการโพเรชาติไหนเราก็ทราบไม่ได้ตราบใดที่เราไม่ชะไม่ล้างไม่ขัดไม่เกา่า ให้สิ่งเหล่านี้เบาวบางแล้วหมดไปในที่สุดมันก็จะมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้หากเราตั้งอกตั้งใจชาระขัดเกลาตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านสอนอให้เจริญรักษาศินให้เจริญสมาธิให้เจริญปัญญาจนเห็นผลตามที่พระองค์ทรงแสดงให้เราทราบแล้วปล่อยหมดอนิจจังทุกขังอนัตตาในกายในเวทนาในจิตในธรรมและจะทําให้เราเข้าถึงความสุขความเจริญโดยบ่อริสุทธดประจักษ์ความทุกข์ คือวัตตะสงสารไม่เกิดพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเพราะพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นเพราะตัณหามันแสดงตัวให้ปรากฏไม่ได้ด้วยอำนาจของเราเจริญมรรคเต็มที่นี่คือที่สุดที่พุทธยถาท่านทรสงสอนพวกเราพวกเราทิ้งศีลทิ้งธรรมไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายไม่ลืมเนื้อไม่ลืมตัวให้ความสาคัญกับเรื่องศีลเรื่องธรรมแม้แต่ รพระทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นหลักที่เรียกว่าสารนคมสารณคมสา ร, สรนัมนี้มีแนวปฏิบัติมีข้อปฏิบัติให้กับเราเราอย่าไปอืออหอห่อกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นไปกราบจอมปลวกไปกราบต้นไม้ไปบูชาแม่ตะเคียนนอย่างเงี้ยไปอืออหอห่อกว่าเอาเองแต่ถ้าเร า, เราลึกถึงพุพทธางาสนาจามิธรรมังาสนาจามิ สังฆ์สรรนางกระฉามิท่านมีข้อปฏิบัติให้กับเราพระพุทธเจ้าท่านบริสุทธิ์ได้ด้วยข้อปฏิบัติพระธรรมเป็นเครื่องนํามาปฏิบัติเพื่อให้ผลให้เกิดความบริสุทธิ์หมดจดเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านตั้งออตั้งใจทําเพราะฉะนั้นพระธรรมแปดมืีพันธ์พระธรรมขันธ์พระองค์จึงเอามาสอนพวกเราอันนี้แหละคือแนวปฏิบัติคือข้อปฏิบัติพระอานุนถามเมื่อพระองค์ล่วงไปแล้วใครเป็นศาสดาแทนพระองค์ก็พระธรรมวินัยที่เราบอกสอนนี่แหละ จะเป็นาศาสดาแทนเราพระองค์ไม่ได้ตั้งคนนั้นให้เป็นาศาสดาแทนคนนี้ให้เป็นาศาสดาแทนเอาธรรมะที่พระองค์ทรงตงั้งเอาไว้นี่แหละเป็นาศาสดาแทนพระองค์หลังจากพระองค์ล่วงไปแล้วเพราะผู้ใดตั้งใจปฏิบัติทำเห็นอาจเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นหเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราพระพุทธเจ้าท่านเหลือแต่ท่ารู้ที่บริสุทธิ์ท่ารู้ที่บริสุทธิ์นี้ไม่ใช่สูญหายไปไหนยังมีอยู่ สมัยพระองค์เข้าสู่ประนิพพานเอาธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ของพระองค์นี่แหละเข้าสมาบัติเข้ารูปสมาบัติเข้าอารูปสมาบัติสําหรับเข้าสัญญาเวทีเตณิโรดเอาผู้รู้ที่บริสุทธิ์นี่แหละเข้าตราบใดที่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์ประทับอยู่ในองค์ฌานนั้นๆเนี่ยพระอนุรุตท่านนมองเห็นเนี่ย <Yeah. S 1> พระองค์ทํา มหาปรินิพานนักรรมให้พระศัพทพระสงฆ์สาวกทั้งหลายทั้งพวงเหล่านั้นเห็นทราบก่อนที่พระองค์จะเข้าสู่อนุภาติเสสนิพานพระองค์ทาอยู่อย่างนั้นแหละประทับอยู่ในสัญญาเวทยีตานิโรธพระอนุรุทธะกำมองเห็นพระรุทธะเป็นผู้มีที่ประจักษุขพระองค์ถอยลงมาจนถึงพระจิตที่บริสุทธิ์เหลือแต่เหลือแต่พระจิตพื้นๆธรรมดาจิตบริสุทธิ์ธรรมดาแล้วเข้าไปใหม่อีกเข้าไปชั้นที่หนึ่งเข้าชั้นที่สองเข้าชั้นที่3เข้าชั้นที่ส อยู่ในองค์ฌาไนไหนๆพระอนุรทธะมองเห็นออกจากฌานที่สซึ่งเป็นรูปฌปานอารูปฌานก็ไม่เข้ารูปฌานก็ไม่อยู่พระอนุรทธะมองจิตที่บริสุทธิ์นั้นมองไม่เห็นละเพราะจิตที่บริสุทธิ์นั้นไม่ได้ประทับอยู่ในสมมุติรูปฌานก็ตามอารูปฌานก็ตามท่านว่าเป็นสมมุติเป็นวิหารธรรมที่จิตดวงนี้ฝึกฝนอบรมได้แม้แต่สัญญาเวทชีตานิโรธ ก็เป็นสมมุติเป็นวิหารธรรมที่จิต ด, ดวงนี้ฝึกฝนได้ไม่ใช่ความเป็นพระอาหารหันต์ความเป็นพระอาหารหันต์คือจิตที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์ล้วนๆหนึ่งเดียวนั่นน่ะอเ mm. มื่อไม่เข้าพระอนุทักษมองเห็นพูดได้อย่างเดียวว่าพระองคอ์เข้าสู่อนุ ป, ปาทิเสสนิพานแล้วดับธาตุดับขันดับกิเลสกิเลสหมดจดโดยชิ้นเชิงแต่กิเลสในพระไทยของพระองค์ดับนานแล้ว แต่ว่าชีวิตจิตสีสังขารของพระองค์นะเพิ่งดับในขณะนี้ในตอนนี้เองอเจ้าแล้วจิตดวงนั้นไม่มีที่ไปที่มาไม่มีเพราะไม่มีชาติเพราะไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานไม่มีผู้ยึดไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีผู้ยึดนะตราบใดที่จะไปเกิดอีกไปมีอีกมันมีมีตัวมีตนที่จะไปเกิดอีกเมื่อมีผู้ที่จะไปเกิดอีกมันก็จะต้องมีที่เกิดที่พระองค์หมดแล้ว หมดตัวตนที่จะยึดมั่นถือมั่นแล้วเข้าถึงความบริสุทธิ์พุโทโธเป็นอนัตตาทั้งหมดเข้าถึงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดทิ้งไว้ตามสภาพเดิมทั้งรูปธรรมทั้งนามธรร ม, า ท, มทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมาผู้รู้ของท่านบริสุทธิ์หนึ่งเดียวนั้นไม่มีภพไม่มีชาติไม่จําเป็นจะต้องไปเกิดในภพนั้นภพนี้ไม่มีภพจํากัดไม่มีการเวลาจํากัด ดำรงตนอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตกาลอันนี้คือพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าของพระอริยสาวกทั้งหลายมีความสามารถที่ช้ า, างให้จิตดวงนั้นบริสุทธิ์เป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดหนึ่งเดียวพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วพวกเราก็อยากได้อยากได้เฉยๆแล้วก็ทำเอาอยากได้เฉยๆแล้วไม่ไม่ตั้งใจทำเอาเราก็ไม่ใกล้เข้าไปผู้ใดเห็นทำผู้นั้นเห็นเรา พระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่คืออำนาจของธรรมตราบใดเห็นธรรมตราบนั้นแหละเห็นพระองค์เริ่มมีสมาธิเริ่มมีปัญญาเริ่มมีญานาทศนะอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะเริ่มเห็นพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์หมดจดโดยชิ้นเชิงเห็นพระพุทธเจ้าเต็มองค์เต็มดวงพระพุทธเจ้าไม่ได้สูญหายไปไหนเพราะฉะนั้นพวกเรากราบพุทธังธรรมังสังฆังสันนังชามิตั้งอกตั้งใจทํากระเทือนถึงพระพุทธเจ้ากระเทือนถึงธรรมะของพระองค์ ขอให้เราตั้งหลายตั้ง อ, อกตั้งใจทําสิ่งทั้นี้มีผลมีอ น, นิสงส์การที่เราสงบระงรับดับตัณหาได้แต่ละครั้งแต่ละครั้งเป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นเรื่องที่ยิง่งยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้ น, นาการรู้ทำการเห็นทำจึงเป็นเรื่องที่ดีที่เลิศที่ประเสริฐที่สําคัญยิ่งในชีวิตจิตใจของเราขอให้เราให้ความสํำคัญและก็ตั้ง อ, อกตั้งใจทําสิ่งเหล่านี้ไม่เหลือวิสัยไม่เหลือแบกไม่เหลือหามขอให้ตั้ง อ, อกตั้งใจเอาชีวิตเป็นเดิมพัน พากันเจริญภาคันทำตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพวกเราทั้งหลายทําอย่างนี้เป็นอาจินอย่างน้อยๆตรงนี้ก็จัดเป็นประจําเดือนและพากันมาทำบ้านมาสวดมนต์แล้วก็มานั่งฟังเทศและมานั่งตั้งใจกําหนดจดจอ่อเอาความรู้เอาความเข้าใจเข้าสูห่หัวใจอย่างน้อยก็มีความสงบมีความสุขตามกา ร, ต า, ราตามคราวที่เราตั้งใจกําหนดจดจ่ออยู่นี้เป็นผลเป็นอานิสง์ของเราสิ่งเหล่านี้แหละจะเอื้ออํานวยให้เราทั้งหลาย ได้ประสบความสุขความเจริญพาวนาหมาก็พอสมควรแก่เวลาตั้งใจเอานะอย่าไปคิดว่ามาสมาทานศีลมาภาวนามาปฏิบัติธรรมแล้วไปหาปลาไม่หมานอย่าไปคิดอย่างนั้นนะออย่าลืมนั่นอนะ่ะคือเราไปเราไปทําในสิ่งเหล่านั้นถ้าเราไม่ไม่มาทําตัวเราให้เกิดบุญเราจะเอาอะไรไปไปให้เขาไปแบ่งให้เขาไม่มี อย่างน้อยเราทำอย่างนี้เราก็ทำเราอดไม่ได้ยังไงไม่ได้ทำอย่างนั้นเราก็ทำเราก็ยังมีมีบวกมีลบมีบวกมีลบกันมีบวกมีลบกันแต่ไม่ใช่ไปสรรเสริญให้ทำอย่างนี้ด้วยทาอย่างนั้นด้วยนะอดได้ทนได้เรามีปัญญาราเสาะแสวงหาได้คนมีปัญญาแสวงหาทรัพย์ได้นะมีปัญญาแสวงหาทรัพย์ได้ บางคนมีอาชีพเป็นเขียงหมูเนี่ย <c oughs> บางคนมีอาชีพฆ่าสัตว์โรงฆ่าสัตว์เนี่ยบางคนมีอาชีพทำประมงเนี่ยทำมาจนรวยพอรวยแล้วท่านให้เลิกเปลี่ยนใหม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างนี้นะเพราะคนเ ร, เราเลือกไม่ได้อาจารย์สุธรรมเนี่ยตระกูลของท่านเนี่ยประม ง, งทั้งนั้นเลย พอธมาห์กินร่ารวยเลิกหมดเดียวเนี้ธุรกิจอย่างอื่นแทนหมดเลิกหมดครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างนี้อมแม้แต่แม้แต่แพทย์สัตว์นี่นะนะเขาตอนสัตว์เขาทำหมันสัตว์เนี่ยคยยนะรูบ <laughs> าอาจารย์ท่านยังตําหนินะตอนสัตว์ตอนสุนหักทำหมันสุนั์เนี่ยท่านยังตําหนิครูบาอาจารย์ท่านยังให้เลิก เขาตั้งใจฟังคําสอนของครูบาอาจารย์แล้ว เ, เขาเขาเขลิกจริงๆนะเลิกทำหมันสัตว์เลิกทอนสัตว์พราะหลังจากเลิกทอนเนี่ยมันตกไปหวบหนึ่งเหมือนกันนะเพราะแสดงอันนี้รายได้ดีดมากเลยอืเขาพยายามเลือกทําแต่ในสิ่งที่ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมสิ่งเหล่านั้นเราทําได้แต่ถ้าหากเรารวยแล้วเราพลิกเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนได้เราใช้ปัญญาเราเปลี่ยนได้เราใช้ปัญญา ในเมื่อเรามาทำอาชีพใหม่แล้วก็เข้าหาศีลเข้าหาทํามให้มากแล้วพยายามแพร่ส่วนกับส่วนทำที่เราเคยทำมาในอดีตนั้นให้เขาให้มากๆแน่ ห, นหนกหนักเข้ามันก็ลบล้างกันไปได้ในที่สุดเราก็สามารถขยับตัวเราขึ้นมาได้ไม่ใช่เราจะเอาเราไปผูกมัดอยู่อย่างนั้นอยู่ร่าไป อ, อยู่ร่มไปอาชีพทั้งหลายทั้งปวงเราเลีกได้เราเปลี่ยนได้แต่และที่คิดว่าโอ๊ย มาภาวนามารักศีลรักษาศีลแล้วไม่หักินไม่หมานอันิยาคิดเด็ดขาดนะอย่าคิดเด็ดขาดการที่เรามาทําอย่างนี้ทาให้เรามีบุญเพิ่มเราแพ้ส่วนบุญนี่หลายเขาในเมื่อเรายังหลบยังหลีกยังเลี่ยงไม่ได้เรายังมีข้อแรกเปลี่ยนกันนะอ่านี่ฝากไว้ด้วยพวกเราอยู่ตรงนี้ <laughs> อ่ อย่าไปคิดว่ามาเจอพระแล้วไปหากินไม่หมานะอย่าไปคิดนะไปหาปลาก็ไม่หมานไปหาหนู้นก็ไม่หมาหานี่ก็ไม่หมานรำมาอย่างนี้เราได้บุญเราทําก็จริงอยู่แต่เราไม่ลืมตัวโอถ้าเราไม่มีบุญเราจะได้อะไรแบ่งแจกเขาเราก็เป็นหนี้เขามากๆกู้มาเท่าไหร่ก็เป็นหนี้ทั้งหมดกู้มาเท่าไหร่ก็เป็นหนี้ทั้งหมดกู้มาเท่าไหร่ก็เป็นหนี้ทั้งหมดไม่มีอะไรชดเชยเขาบ้างเลยโอ้ยเราก็แบกไม่หว่านไม่ไหวแหละทีนี่ นะอ่าต่อไปให้พอตั้งใจอุทิศส่วนบุญไปอุทิศส่วนบุญไปกับอย่งงางนั้นแหละเพราะพวกเราเกิดมาขับป่ากับท้องทําไงเอนะอาศัยเสียสละท่านพูดถึงว่าพ่อแม่บางคนเสียสละถึงแม้ว่าจะผิดศีลผิดธรรมก็อุตสาหาทรัพย์เหล่านั้นมาเลี้ยงลูกจนใหญ่จนโตลูกบางคนพอโตขึ้นมามีศีลมีธรรม อาศัยลูกที่มีศีลมีธรรมนี่ก็ดึงพ่อดึงแม่ด้วยดึงพ่อดึงแม่เพราะพ่อแม่เคยผิดศีลผิดธรรมมาตลอดบางคนเคยเคยเคยมีบอกกุ้งบางคนเคยมีเคียงหมูบางคนมีรงฆ่าสัตว์นะพอร่ำรวยมากๆสิ่งเหล่านะั้นเราเลิกเราเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์ทุกอง์ท่านสอนอย่างนี้ทั้งหมด ทำอย่างนี้ไปจนตรอชีพไม่ได้หรอกเลิกพอเป็นพออยู่พอกินพอเป็นพอไปเลิกพลิกเปลี่ยนเราจะมากดทวงชีวิตทั้งๆ ท, ท, ท, ที่เรารู้รอยู่อย่างนี้ไม่ได้พวกเราอยู่ท่ามกลางคําบอกคําสอนของพระพุทธเจ้เาเลิะที่สุดประเสริฐที่สุดพยายามหาโอกาสให้ได้ชีวิตของพวกเรานิดหน่อยน้อยเดียววันขืนลงไปลงไปลงไปนะยีปี30ปี40ปีห้ปีเห็นไหมแก่ไปเรื่อยแก่ไปเรื่อย 60ปี70ปี80บปีบางคนก็ถึงบางคนก็ไม่ถึงดอก90สิบปีไม่ถึงร้อยปีพวกเราก็ไปแล้วเราจะอยู่เท่าเดิมไม่ได้ต้องกลับมาพัฒนาให้มีศิลมีธรรมประจำหัวใจมีความสำคัญที่สุดอนุโมทนากับเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติชายที่เขาดูแลอยู่ตรงนี้เป็นเรียบเป็นแรงเป็นเรียบเป็นแรงแล้วก็เป็นเรียบเป็นแรงแล้วก็เปิดโอกาสให้พวกเรามีโอกาสได้เข้ามาฝึกฝนอบรม ได้ยินได้ฟังแต่อันนี้เราไม่มีเวลาพานั่งภาวนาหรอกแท้ที่จริงเวลาที่เรานั่งฟังเทศเรานั่งภาวนาจะดีมากอ่ามันจะทำให้เราตั้งอกตั้งใจจริงๆอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็มีแต่เวลามาพูดให้ฟังไม่มีเวลาพานั่งภาวนาหรอกอ่าใคอยากภาวนาไปที่วัดเขาแล้วกันแหละนะเ <laughs> อาให้พระนี้ให้พร <c oughs> ให้พรเสร็จแล้วก็ลาพี่น้องแหละนี่กลับนูน่นไปนอนบ้านนูน่นจมสุนทรหน่อแม่กลองที่บ้านที่บ้านเขาเนีมีมีสำนักสงฆ์พระสงฆ์กูบารยันไปพักได้อม <c oughs> อาตั้งใจให้พอรอุทิศส่นบุญไป ยะทาวาริวาหาปูราปริปูเรนติสาคะรังเอวะเมวอิตโตทินังเปตานังอุปกาปติอิจชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมมิตชะตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยะท้ามณิโชติระโสยะทาสัพพิติยวิวชัชชนตุสัพโรโควินัสตุ มาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวอภิวาธนาสีฤิสนิจยังวุทฒาปัญโยยัตตาโรโธธรมมวันติอายุวโนสุขังพระลังภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานพาเวนะสทาโสธีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตา สัพพธรรมานุภาเวนะสัทาโสถีพระวันตุเตวะวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเเทวตาสัพพสังฆานุพาเวนะสัทาโสถีพระวันตุเต